ไม่มีอ่ะนะไม่มีเลยเวลาที่ไม่มีอารมณ์อ่ะตั้งระวางทานมันใจลอยอก็คือต้องบ่อยคือที่ ร, รู้ให้ไหวๆเลยอย่าใจรอ ย, ยาวแต่ว่าไม่มีหรอกเวลาที่ว่าไม่ได้รู้อะไรเลยอะไม่มียกเว้นเวลาที่จิตตกไปอยู่ในเขาวง เกิดรวังภัยจิตทีรียกว่าจิตตกภาวังก็ไม่ดีเอี่เดี๋ยวจะคิกว่าราวังเหมืนหลุมไอะไรแล้วจิตตกลงไปความจรงิงก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งจิตที่มันไปเกาะอยู่กับอารมณ์เกา่าไม่ใช่ไปเกาะอยู่ในอารมณ์ใหม่เห็นไหมเริ่มเปน็นนักปฏิบัติอย่างเขาบ้างแล้วเริ่มต้องแล้วรู้ไหมเออนะรู้ให้ทันนะตรงเนี้ยหลุมซางันใหญ่เลยพวกนักปฏิบัติตกลงไปในหลุมนี้เสร็จเลย ตกกันเป็นปีๆเลยแทนที่เราจะรู้ทันไปเรื่อยๆ ร, ร, รู้สบายๆเราเริ่มจ้องต้องเอาไปนอ า, าอาไปดูออกไหมเริ่มจ้องแล้วเกี้ข อ, องดูสักทีเคยมาจากไหนกันใคยมาไหม อยให้ฝันไปฝันไปแล้วรู้ไหมั่งนั่งคิดอย่างนี้นะเหมือนกับเรานั่งฝันนั่นแหละฝันกลางวันอยู่ทำไรไม่ <c oughs> ยอยรู้ทันมัน วันนี้เป็นทีมที่สอนลำบากแล้วกไม่เหมือนกันเห็นเกิดดับไห้ไหมนะไม่ต้องไปตั้งผูร้รู้นะดูเอาเลย คอยรู้ไปนจิตคิดนะจิตรู้คนละตัวกันเดี๋ยวมันก็คิดมันก็พูดไปตัวหนึ่งก็คอยรู้ทันไปจะเห็นว่ามันมันพูดแล้วมันก็หยุดแต่เรื่องที่มันพูดหนึ่งก็พูดได้ทั้งวันนะถ้าอยู่บ้านพูดทั้งวันอยู่เนี่เอาใครตื่นตัวไว้มันก็ขาดเป็นช่วงๆพูดน้อยลง ถาเรารู้สึกตัวปนเงีนี่ไปคิดอยกแล้วขึ้นมาเหรอขึ้กด้วยแล้วค่ะความงแยกกันมาไม่ต้องแยกอ่ะนะเวลาคนเผลอไปรู้ว่เผลอไปอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังรู้ไหมตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจจิต ใ, ใจเราเป็นไป ท, ทางานทางช่องทางไหนก็รู้ทัน ไปทางตาก็รู้ไปทางหูก็รู้ไปทางใจก็รู้รู้อยู่อย่างนี้ไปทางใจใช่ไหมก็สงสัยแวบบก็รู้ทันมันไปอะไรผุดขึ้นมาในใจรู้ทันไปเรื้วยๆนี่ไปทางใจใช่ไหมนี่หัดดูอย่างนี้หัดให้รู้ว่ามันหนีไปทางไหนก็ยังดีดีกวา่าหนีไปแล้วไม่รู้เรื่องเลย เป็นไงบังคับใจให้นิ่งๆงั้นเหรอ <c oughs> ดีเที่ยว <c oughs> ถ้ามีเวลาสิบนาทีใครจะถามอะไรเชิญฝึก <c oughs> ยังไงสองคนนั้น นะเพื่อจะรู้ทันจิตนะไม่ใช่เพื่อบังคับจิตนะเราลองปรับทัศน์นิดนึงอย่างที่ผ่านมาเราชอบบังคับจิตจิตนี้ไปเที่ยวเราก็บังคับให้มันอยู่กับลมนะเราปรับการปฏิบัตินิดเดียวนะเราหายใจเข้าหายใจออกจิตเราอยู่กับลมหายใจเราก็รู้ทันหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปแล้ว หายใจไปหายใจไปชักเคลิมลงไปรู้ว่าจิตเป็นเคลิมสรุปแล้วก็คือที่ฝึกหายใจอยู่เนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตที่เริ่มต้นทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นว่าเราปฏิบัติเราทําทําไปทําอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะทําไปเพื่อจะบังคับจิตให้นิ่งซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีมากหรอก ฝึกลัาบังคับจิตได้ต้องบังคับได้ชั่วคราวนะอย่างบางคนไปเข้าวัดนั่งหายใจไปหายใจไปแม้สงบก็ลกลับบ้านฟุ้งซ่านกว่าเก่าอีกเพราะมันสงบมานานแล้วมันต้องฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราทำกำากรรมฐานเนี่ยใช้ลมหายใจใช้อะไรก็ได้นะเพื่อจะรู้ทันจิตตันนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมลืมลมหายใจให เรามีลมหายใจมาเป็นตัวล่อนะหายใจไปรู้สึกตัวไปไอยใจไปรู้สึกไปหาใจไปหนีวิคิดรู้ทันว่าหนีไปแล้วรู้ทันใจไม่ใช่รู้ทันลมลมเป็นเหยื่อตกปลานะเราจะเอาปลาดคือเอาจิตไม่ใช่เอาแค่เหยื่อนะไม่กินไส้เดือนนะจะกินปลา แลตอนนี้จิตมันไปนหนีไปทางไหนรู้ไหมมันหนีไปคิดรู้ไหมลืมลมหายใจแล้วนะถ้าเราไม่ใช้ลมหายใจใช้อย่างอื่นได้ไม่ได้อะไรก็ได้นะเอาสักอย่างหนึ่งในใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เราขยักหน้ารู้สึกตัวตดูกระดิกอันซ้ายอันขวาเพืรู้สึกตัวไวนะ้ใจหนีปนไปเมื่อไหร่ก็รู้ทันมันแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ใจหนีนะไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับให้ใจอยู่นิ่ง โรภู ม, ม่านสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตติ ด, ต, ดติดเฉยทีนี้เราหายใจไปแล้วเฉยเราว่าดีครูบาอาจารย์บอกไม่ดีเรียนให้มันก้าวหน้าไปไปติดเฉยเฉยไม่ดีหรอก ปัจจุบันอดีตมันจะหนีไปได้ข่างมันนะเราเอาปัจจุบันเท่านั้นนะตอนที่เผลอไปก็คือจิตมันฟุ้งซ่านไปมีโมหะมันหลงไปนะตอนหลงไปนี่มึงก็ไปปรุงกุศลบ้างอกุศลบ้างนะช่วยไม่ได้เป็นอดีตหมดแล้วนะตอนที่เรารู้เนี่ยอกุศลไม่มีแล้วม้นตอนที่เรารู้สึกตัวความปรุงแต่งขาดไปนะกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมา ฝึกรู้สึกตัวเรื่อยปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนั้นหนีไปไหนนั้นไปค้นคว้าอาดีตมันก็หนีไปทางใจแหละถ้ามันเหม่อย่างนะั้นนะหรือเห็นสาวเดินมาดูตามเข้าไป น, นี้ก็หลงไปทางตาเดี๋ยวมันรู้ไปเองแหละนะไ ม, ไม่ยากหรอกกนะันนั้น ให้รู้สึกตัวไว้นี่ยากกว่ารู้สึกตัวได้แวบเดียวนี้ไปอีกแล้วเสร็จแล้วเราดูเหลือนิดเดียวพอแล้เหลือได้รู้ก็เผลอส่วนเผลอไปไหนช่างมันเถอะตอนที่เผลอมันเป็นอดีตเป็นหมดแล้วตอนที่เรารู้ขึ้นมานะเผลอเป็นอดีตหมดแล้วช่างมันตอนเผลอก็รู้ไม่ได้เราก็เล่นตอนรู้นั่นแหละได้รู้บ่อยๆพอเรารู้ขึ้นมาความปรุงแต่งเขาขาดดูตรงนี้ออกไปยังหนัก พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาความคิดนึกปุงแต่ก็หายไปความปรุงแต่งขาดเราก็รู้สึกตัวอยู่เดี๋ยวมันหนีไ ok ปปรุงอีกรู้อีกปรุงอีกรู้อีกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอความปรุงแต่งมันไม่เข้าปรุงแต่งนะจิตเนะจิตจะพ้นความปรุงแต่งจิตก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งที่บ่อยอยากเห็นนิพพานนะอยากเห็นนิพพานเนี่ยนั่งแต่งจิตอยู่ไม่เห็นหรอกนะแครู้แล้วทำไมรู้แล้วไม่ปิ้ง ว่าจะไปเห็นนิพพานหรือยังคิดอย่างนี้ไม่เห็นหรอกนะยังอยากเห็นปิ๊งปิ ง, ปงอยู่ <c oughs> ทำได้ดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกแปล <c oughs> กเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปชนกันนะนการที่เราไปนั่งเี่งลมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสมถะ เือบร้อยละร้อยเลยที่รู้สึกตัวได้แทบไม่มีเลยนะคือไม่รู้ลมหายใจขับรถไปนะีจิตรวมขึ้นมาเราไม่รู้เรื่องนะนะมันไปเกิดในลมมาโลกเลยงั้นเวลาขับรถอย่าทํารรมาธิขํารถน่ะตาหูว่องไวไหมตื่นไหมอย่าหลับใหญ่ใจลอยเ <c oughs> <c oughs> ออใหญ่ใจลอยนะ มีหน้าที่ไม่ใจลอยนะแต่เวลาเรามาจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่าใจลอยนะคนละอย่างอีกล้ใจลอยรู้ว่าใจลอยไม่ไม่สีเรียสถึงขนาดว่าอย่าเผลอนะเอแค่เผล่ อ, อ ย, า ย, ายาวๆนะก็แล้ว ก, กันเนี่ยหนีไปคิดละใช่ไหมรู้ทันมันดีละขนาดดีละขนาดบางคนไปนั่งดูจิตบอกดูจิตเจ้าอิ่มะ่ะจาได้ไหม อิมบอกดูจิตดูไปแล้วทำใจทื่อๆไว้เห็นรถติดไฟแด ง, นะงเลยชนเจ็ดคันเลยดีว่ารถมันไม่วิ่งเร็วชนทีเดียวได้เจ็ดคันพ่อเลยห้ามขับรถเลยเราจะทำอะไรเพื่ออะไรต้องรู้นะเวลาทำงานมีสมาธิในการทำงานจดจ่ออยู่ ขับรถก็ตั้งใจกับรถไม่ไปทําสมถะเวลาจเจริญสติก็รู้สึกเนาะอย่าไปน้อมใจเขาหาความนิ่งนิ่งเวลาเราจเจริญสติเนี่ยเราครรู้ทันไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกจิต ด, ดีก็รู้ว่าดีจิตชั่วก็รู้ว่าชัว่วที่เข้ารู้ไปสุขทุก็ดีชัว่วเท่าเทียมกัน นะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยแสดงธรรมะที่เท่าๆกันแสดงไตรลักษณ์เหมือนๆกันสังเกตไหมอย่างนั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวก็ตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดนะใช้อายตนะสามอย่างเนี้ยสลับไปสลับมาดูออกไหมหน้าที่ของเรารู้ทันตอนนี้ใช้อายตนะอะไรรู้ไปนะรู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกไปอย่างง่ายๆ ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดดับทางตาเดี๋ยวก็ไปเกิดแล้วก็ดับทางหูเกิดดับทางใจนไมมีแต่ว่าจิตไปรู้อารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นก็ดับไปอย่างนั่งฟังนี่ยไหมเดี๋ยวก็ตาดูเดี๋ยวก็หูฟังเดี๋ยวก็ใจคิดสลับไปสลับมานี่จิตแสดงความเกิดดับตลอดเลยเนี่ยจิตไปอยู่ในความคิดแล้วเราก็รู้ทันเอออยู่ในความคิดมันก็ดับทันทีเลยทันทีที่รู้ทันว่าจิตลงไปอยู่ในความคิด กายเป็นจิตที่รู้สึกตัวเราพอกูนความรู้สึกตัวให้บ่อยๆจิตก็จะไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้จิตลงไปทางใจรู้ไหมไหลเข้าไปในช่องของความคิดนั่นแหละเออมันไหล ไ, ไปนู่นไปนี้มีหน้าที่รู้ทันนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีการสารลงการปฏิบัตไิไม่เกี่ยวกวับลมหายใจเหยใช่ไหม ลมหายใจมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นที่จะหัดสังเกตจิตจิตอยู่กับลมก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตเคลิ้มก็รู้พอรู้รู้รเชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วมันเจริญสติในชีวิตจริงๆนี่จิตหนีไปทางตาก็รู้หนีไปทางหูก็รู้หนีไปทางใจก็รู้ตรงที่รู้ทันนั่นแหะจิตจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้มนมาหนึ่งขนาขณะเดียวแล้วแว บ, บเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วตรงที่ไหลไป ทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจคือจิตหลงไปนะจิตมีกิเลสเป็นอกุศลโรกที่รู้ทนันจิตเป็นมห า, ากุศลกิจอกุศลเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมรู้แล้วก็เผล อ, อกุศลเกิดแล้วก็ดับจริงแต่ว่าผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยอกุศลมันเกิดถี่ยิบเลยมันไม่มีกุศลสักทีเพราะฉะนั้นอย่างการลี่เรารู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ในลมหายใจนั่นหลงอยู่ พอได้หลักไหมไม่ยากรู้ไหมเดีย๋ยตอนนี้หลงทันใจรู้ไหม <c oughs> เร็วนะงั้เรามีหน้าที่ฝึกสติให้เร็วขึเร็วขึ้นให้รู้ทันมันไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามหลงนะต้องจําไว้นะตรงเนี้ยอย่าไปบังคับมันเพราะว่าจิตเนี่พยายามแสดงธรรมให้เราดูว่าบังคับไม่ได้นะ เขาเป็นอนักตตาบังคับไม่ได้เราก็พยายามบังคับเขาใหญ่ไปนั่งหายใจไม่จะบังคับเขาให้สงบมันคนณลทางกันเรื่องการเจริญสติหนีไปทางใจแล้วหอรู้เรื่องนะนี่สีลูกผิดเก่านี่สีทรงไหนมันไม่หลุนฮะให้เมลแดง ทำไมมันยากนักเหลือ <c oughs> ใช่เรารู้ได้อย่างว่าทำไมมันหนักทำไมมันทุกข์ขึ้นมามันหนักขึ้นมาเพราะตัญหามันอยากปฏิบัติเพาอยากปฏิบัติเอาสติกหนดใหญ่กำนดลงไปกำนดลงไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้น ต้องรู้เหตุรู้ผลเนะความทุกข์นี้เราสร้างเองอเรียกว่าความทุกข์ของนักปฏิบัติขยากปฏิบัติแล้ต้องบังคับจิตเอาเพง่งเพงโอ้หื่นอัดเป็นทุกทข์ขหกเหมือนแกล้งเอาละเราจะเดินเล่นๆแล้ว เป็นแกล้งเดินจิตแม้มันฉลาดจะตายไปหลอกมันไม่ได้หรอกมันมีแต่ถูกมันหลอกอย่างโยบอกว่าโยจะไม่ตั้งใจเดินแล้วโยจะเดินเล่นมันตั้งใจไปเรียบร้อยแล้วมันตั้งใจเดินเล่นอ้าใครจะมีอะไระคุยก็เชิญนะ หมดเวลาแล้วเชิญที่ชาชัย <c oughs> หน้าที่ของมันนะมันต้องรู้สึกนึกคิดนะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือรู้ทันมันนะตรงที่ว่าหนีไปก็คือมันไปทํางานโดยเราไม่รู้ทันมันเท่านั้นเองนะแต่ว่าเขาต้องไปทํางานเขาอยู่นิ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้จิตนิ่งมันผิดธรรมชาติอพอแล้วเนะโอ้เป็นกุ้มใจอะคนอื่นพอแล้วก็เรอโยยังไม่พอไปเรียนกับอาไป